สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะบีรายงานตัวทางชแนลบน YouTube ด้วยค่ะเริ่มต้นกันวันนี้กับเรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าน่ากลัวเท่าที่บีได้อ่านดูนะ เรื่องราวของการตามมาจากป่าช้านะคะเป็นเรื่องของการชาปนกิจครูเพิ่มค่ะครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านไร่ก็มาถึงเนะะี่ยค่ะหลังจากที่ต้องบอกว่าเก็บศพมาครบร้อยวันพอดีนับตั้งแต่วันที่ครูเพิ่มเสียชีวิตเพราะว่าถูกคนร้ายที่บุกขึ้นปล้นบ้านของแก ศพของครูเพิ่มค่ะถูกนำมาตั้งสวดอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้าที่จะทำการเผาตามประเพณีนะคะซึ่งภายในงานนี้ก็ได้มีชาวบ้านแล้วก็ครูในโรงเรียนทุกคนค่ะต่างก็มาช่วยกันขันแข็งอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะว่าครูเพิ่มผู้นี้เนี่ยเมื่อสมัยที่แกยังมีชีวิตอยู่แกก็เรียกไว้ได้สั่งสมความดีเอาไว้มากะค่ะก็เลยทาให้ทุกๆคนภายในหมู่บ้านเนี่ยให้ความรักแล้วก็ความเคารพแกอย่างมากเลยทีเดียว สับเบอร์บุญถามครูมาลานะคะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยครูจะไปร่วมงานเก็บกระดูกที่ป่าช้าท้ายวัดด้วยหรือเปล่าครูมาลาเนี่ยซึ่งเป็นครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันกับครูเพิ่มแล้วก็ยังเป็นหลานสาวแท้ๆของครูอีกด้วยนะคะขณะที่นั่งอยู่ในกลุ่มครูโรงเรียนวัดบ้านไร่อีกหลายคนค่ะไปสิลุงครูในโรงเรียนคงจะไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละเมื่อสับเบอร์ได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดกับครูมาลาบอกดีแล้วครับไปกันหลายๆคน วิญญาณครูเองก็คงจะดีใจนะที่เห็นพวกเราอะไรต่อการจากไปของแกยังไงก็ขอให้มาพร้อมกันแต่เช้าหน่อยนะครับแล้วก็เจอกันที่วัดนี่แหละตกลงค่ะลุงพรุ่งนี้เราจะมากันแต่เช้าเชียวขอบคุณลุงมากนะคะพอหลังจากนั้นค่ะรุ่งเช้าหลังจากที่สับปปเปล่าบุญนี้เก็บกระดูกของครูเพิ่มออกมาจากใต้เมนไม่นานนะักกลุ่มครูหลายคนค่ะรวมทั้งครูมาลาแล้วก็ครอบครัวของครูเพิ่มก็ได้มารวมตัวกันที่วัด จากนั้นก็ออกเดินทางไปยังป่าช้าท้ายวัดเพื่อบรรจุกระดูกใส่โกรตามประเพณีนะคะระหว่างที่ทําพิธีบรรจุกระดูกอยู่นั้นครูมาลาแก่ก็ได้เกิดความรู้สึกประหลาดขึ้นมาความรู้สึกที่ทําให้ครูสาวรู้สึกราวกับว่ามีอะไรบางอย่างกําลังจ้องมองเธออยู่แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนักนะคะเธอก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาที่ไขสันหลังอย่างไม่มีสาเหตุแต่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ได้หายไปในเวลาอันรวดเร็วนะคะ พิธีบรรจุกระดูกของครูเพิ่มสิ้นสุดลงทุกคนต่างก็พากันเดินกลับไปยังบ้านของครูเพิ่มเพื่อไปช่วยงานทำบุญต่อจวบจนกระทั่งตกเย็นของวันนั้นพิธีต่างๆก็ได้จบลงด้วยดีค่ะแล้วทุกคนที่ไปช่วยงานก็พากันขอตัวกลับบ้านของใกลบ้านของมันเอาเมื่อตอนย่ำถําที่นี้ครูมาลาค่ะกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ําอาบท่าก่อนที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนต่างๆเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องมีการสอนนะคะ เธอเองก็รู้สึกเหนื่อยก็เลยเข้านอนตั้งแต่หัวค่าแล้วก็หลับลงอย่างรวดเร็วค่ะภายในระยะเวลาไม่นานนักนะคะจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงใครบางคนเรียกชื่อเธออย่างแผ่วเบาในระยะประชิดหูตื่นเถอะมาลาฉันมาหาเธอแล้วเสียงนั้นแผ่วเบาเราวกับกระซิบค่ะแต่ว่ามาลาได้ยินมันชัดเจนมากก็เลยตื่นขึ้นมาตามเสียงเรียกนั้นทันทีใครกันใครมาเรียกฉัน ครูมาลาถามด้วยน้ำสิงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันอยู่นี่มาลาฉันตามเธอมาฉันรักเธอตั้งแต่แรกเห็นเธอต้องไปอยู่กับฉันนะมาลาเธอต้องเป็นของฉันไปอยู่ด้วยกันในที่ของฉันนะไปด้วยกันนะมาลา ครูมาลาค่ะมองตามเสียงที่ดังขึ้นซึ่งมันเป็นเสียงของผู้ชายซึ่งเธอก็ไม่รู้ค่ะว่าเป็นใครแต่เมื่อเธอมองไปยังที่มาของเสียงเธอก็ได้พบกับภาพของชายหนุ่มรูปงามนั่งอยู่ตรงปลายเตียงค่ะชายคนนั้นเอื้อมมืออันเย็นเยียบมาจับแขนของครูมาลาไว้อย่างแนบแน่นแล้วก็พยายามจะฉุดให้เธอลุกขึ้นไม่ฉันไม่ไปฉันไม่รู้จักคุณคุณจะมาเอาฉันไปฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นได้สิมาลา เธอต้องเชื่อฟังและอยู่ในพลังอำนาจของฉันไม่ช่วยด้วยครูมาลาส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงค่ะซึ่งมันก็ทำให้ผู้คนภายในบ้านนี้ตกใจตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันจากนั้นนะคะทั้ทงพ่อและก็แม่รวมทั้งพี่ๆของมาลาก็มาเคาะประตูห้องเรียกด้วยความตกใจมาลาเอ้ยเองเป็นอะไรหรือเปล่าเปิดประตูให้พ่อกับแม่น้อย เสียงร้องเรียกของผู้คนในบ้านทำให้ชายนิรานามปล่อยมือครูมาลาออกไปจากนั้นร่างของเขาก็ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้า ต, ต่อตาของครูมาลาแล้วฉันจะกลับมารับเธออีกเธอหนีฉันไม่พ้นหรอก <laughs> เสียงนั้นดังขึ้นก่อนที่ร่างของชายนิรานามจะเลือนหายไปปล่อยให้ครูมาลาตกอยู่ในอาการตื่นตะลึงค่ะอยู่เพียงลำพังนะคะหญิงสาวคนนี้หมดเรี่ยวแรงที่จะทาอะไรทั้งสิ้น แม้กระทั่งจะเดินไปเปิดประตูห้องให้กับพ่อแม่เข้ามาก็ตามแกเป็นอะไรไปมาลาทำไมไม่เปิดประตูให้แม่เปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเร็วๆไม่ได้การแล้วผมว่าพังประตูเข้าไปเลยดีกว่าเสียงแม่แล้วก็พี่ชายของครูมาลาดังขึ้นค่ะจากนั้นไม่นานนักประตูห้อ ง, องครูมาลาก็ถูกพังออกโดยมีผู้คนหลายคนกรูกันเข้ามาด้วยความเป็นห่วงมาลาเป็นอะไรไปเนี่ยบอกแม่มาสิว่าเกิดอะไรขึ้น ครูมาลานั่งอยู่บนเตียงนอนของตัวเองในลักษณะนคนหวาดกลัวสุดขีดดวงตาเบิ่งกว้างริมฝีปากเนี่ยสันระริกนะคะด้วยอาการเกรงเธอก็พยายามที่จะขยับริมฝีปากพูดล่ะแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้จวบจนกระทั่งพ่อแม่ได้ช่วยกันปลอบขวัญหยุ่พักหนึ่งนะคะอาการของครูมาลาก็ค่อยๆดีขึ้นแม่ผีแม่ผีผู้ชายมันจะมาเอาตัวหนูไปอ่ะแม่ ครูมาลาพูดออกมาเป็นครั้งแรกค่ะจากนั้นเธอก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดโดยไม่ลืมที่จะบอกว่าผีหรือว่าวิญญาณอของผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยบอกว่าจะกลับมาเอาตัวเธออีกให้ได้นะคะทีนี้พอทุกคนได้ฟังก็นิ่งงันแล้วค่ะพร้อมกับอยู่ในความตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อของเขาเลยพูดว่าพ่อว่ามันชักจะยังไงยังไงชอบกวนแล้วนะเอาอย่างนี้ละกัน รุ่งนี้เช้าเราไปปรึกษาท่านพระครูที่วัดดูขอให้ท่านช่วยนั่งทางในดูจะได้รู้ว่าเรื่องมันเป็นไปยังไงมายังไงผู้เป็นพ่อของมาลาค่ะกล่าวขึ้นด้วยความห่วงใยซึ่งทุกคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยดังนั้นในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นนะคะครอบครัวของครูมาลาก็เลยได้พากันไปที่วัดค่ะเพื่อขอให้ท่านพระครูซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนั่งทางในดูว่าเรื่องราวแปลกประหลาดที่ครูมาลาได้ประสบมานั้นมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร หลังจากได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ท่านพระครูฟังแล้วนะค ะ, จะเจ้าอาวาสแห่งวัดบ้านไร่ค่ะก็เลยได้ทำการนั่งภาวนาสงบจิตเพื่อดูทางในให้รู้ว่าทําไมดวงวิญญาณของชายนิรนามคนนี้เนี่ยต้องตามมาอ่ากับครูมาลาถึงที่บ้านแล้วก็ต้องการจะเอาครูมาลานี่ไปอยู่ด้วยแล้วก็ดูด้วยว่าจะสามารถแก้ไขสถานาการณ์ได้อย่างไรบ้าง ท่านพระครูท่านก็นั่งนิ่งสงบอยู <groans> <tears> ่ภายใต้ความเงียบราวครึ s <S ่งชั่วโมงค่ะก็เลยปรือตาขึ้นแล้วก็พูดกับทุกคนคนที่นั่งรอฟังคำตอบก็นั่งรออย่างใจจดใจจ่อนะคะเขาเป็นวิญญาณที่สถิตอยู่ในป่าช้าของเรามาเนานแล้วยังไม่มีโอกาสไปผุดไปเกิดเพราะว่ายังใช้กรรมไม่หมดเขาได้เห็นครูมาลาเมื่อวันก่อนตอนที่ไปบรรจุกระดูกครูเพิ่ม ก็เลยเกิดความพอใจขึ้นก็เลยติดตามมาจากป่าช้านั่นแหละมาเพื่อจะชักชวนให้ครูมาลาไปอยู่ด้วยแต่ก็ยังโชคดีนะที่ครูมาลาได้ทำกรรมดีมามากก็เลยแข็งขืนเขาได้สำเร็จมาอย่างนั้นป่านนี้ก็คงได้ไปอยู่กับเขาแล้วละท่านพระครูกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบแล้วแล้วที่เขาบอกว่าเขาจะมาหาหนูอีกลคะ หนูจะทำยังไงดีคะถึงจะหลุดพ้นจากอำนาจของเขาได้หนูกลัวเหลือเกินคะ่ะท่านพระครูมีหนทางแก้ไขหรือเปล่าเจ้าคะครูมาลา ถ, ถามขึ้นด้วยสีหน้าตื่นกลัวอืมก็บอกแล้วว่าเขาจะทำอะไรยมไม่ได้รอกเพราะว่าผลบุญยังคุ้มกันอยู่แต่เขาอาจจะทำรบกวนให้เกิดความหวาดกลัว ฉะนั้นอาตจจมาคิดว่าควรจะทำพิธีบางอย่างเพื่อผลักดันให้เขาอยู่ห่างๆไม่มารบกวนอีกเอาอย่างนี้ละกันครูไปเอารูปถ่ายเต็มตัวมาใบหนึ่งเอาเสื้อผ้าของครูอีกหนึ่งชุดแล้วอาตจจมาจะทำพิธีไม่ให้เขามารบกวนได้อีกต่อไปนะ หลังจากที่รับทราบดังนั้นนะคะครูมาลาก็เลยรีบไปจัดเตรียมสิ่งของตามที่ท่านพระครูต้องการแล้วก็รีบนํากลับไปให้ท่านพระครูค่ะซึ่งเมื่อท่านพระครูได้สิ่งของที่ต้องการแล้วก็เลยเริ่มบริกรรมคาถาแล้วก็ทำพิธีเผารูป เสื้อผ้าเส้นผมอีกเจเส้นของครูมาลาเพื่ออุทิศไปให้วิญญาณบาบนั้นพร้อมกับบอกให้ครูมาลาทําการสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองด้วยการทําสังฆทานแล้วก็ทําบุญกรวดน้ําไปให้กับวิญญาณทั้งหลายเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองอีกชั้นหนึ่งค่ะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเรื่องราวแปลกประหลาดเกี่ยวกับวิญญาณที่ตามมาจากป่าช้าก็ไม่มาเกิดขึ้นกับครูมาลาครูคนสวยของโรงเรียนวัดบ้านไร่อีกเลยค่ะ ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของต้นไม้มรณะค่ะต้นไม้มรณะต้นนี้มันเป็นต้นไม้ที่มีขนาดเล็กซึ่งปลูกเอาไว้ในกระถางใบย่อมของอซึ่งลักษณะใบของมันเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับใบของกล้วยไม้ดอกของมันมีสีสดทั้งแดงสดทั้งเหลืองสดแล้วก็ม่วงสดนะคะส้มสดก็มีค่ะผลดอกออกจากลำต้นขนาดเล็ก ต้นเดียวพร้อมกันมันก็เลยเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามตระการตาอย่างยากที่จะพันอาจจะมีพันธุไม้ใดเสมอเหมือนขจรค่ะได้ต้นไม้นี้มาจากหัวหน้าเผ่าชาวกะเหรี่ยงเผ่าหนึ่งซึ่งอยู่ทางชายแดนไทยพมา่าด้านหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อคราวที่เขาได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเผ่านี้เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวกะเหรี่ยงเรียกต้นไม้ต้นนี้นะฮะว่าสังสเรค่ะซึ่งมีความหมายว่า เป็นดอกไม้แห่งความสําเร็จเนื่องจากว่าหาผู้ใดได้เป็นเจ้าของต้นไม้ชนิดนี้แล้วไม่ว่าจะทําการสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเจ้าของนี้เอาใจใส่ดูแลต้นไม้ต้นนี้เป็นอย่างดีทีนี้หัวหน้าเผ่าชาวกะเหลียงค่ะก็ยังเคยกําชับขจรเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ต้นนี้ก่อนที่จะให้เข้ามาว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของต้องรดน้ําต้นไม้ในเวลาเที่ยงคืนของทุกวันห้ามตั้งให้โดนแสงแดดตั้งได้เฉพาะในร่มเท่านั้นและในทุกๆครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงผู้ที่เป็นเจ้าของจะต้องหาเลือดสดมารดที่โคนต้นไม้เพื่อสังเวยต่ออารักษแห่งต้นสังสเสรนี้ถ้าผู้ที่เป็นเจ้าของได้ปฏิบัติเนะะี่ยก็จะพบกับความสุขความเจริญและประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องแต่ ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเจ้าของไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องพบกับภัยพิบัติอย่างมหันค่ะแต่ว่าสําหรับขจรแล้วคุณผู้ฟังเข้ารับมอบต้นไม้ต้นนี้มาด้วยความประทับใจในความงดงามของมันมากกว่าที่จะเชื่อถือเรื่องราวซึ่งชาวกะเหรี่ยงได้เล่าให้ฟังดังนั้นนะคะเมื่อเขานําต้นสังเสเรกลับมายัางบ้านที่กรุงเทพเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามที่หัวหน้าเผ่ากะเหรี่ยงได้กําชับมาเลย15วันค่ะหลังจากที่ขจรนําต้นสังเสเรกลับมาปลูกไว้ในกระถาง อยู่ในห้องรับแขกนะคะเรื่องราวต่างๆที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นจนได้ค่ะโดยเริ่มจากการตายอย่างไม่มีสาเหตุของเจ้าหมอมซึ่งเป็นแมวตัวอ้วนน่ารักเลยล่ะค่ะที่น้องขวัญลูกสาวของคขจร น, นามาเลี้ยงไว้มันคงป่วยนะลูกแล้วก็ตายน้องขวัญอย่าลืมสิจ้าว่าเจ้าหมอมนี่มันแก่แล้วเราเลี้ยงมันมาตั้งหลายปีมันก็คงจะแก่ตายแนะ่ลูกอย่าไปเสียอกเสียใจอะไรมากเลยนะ อ่ะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะช่วยหาแมวตัวใหม่มาให้ลูกเลี้ยงแทนเจ้ามอมนั่นน่ะสิพ่อก็พูดถูกน้องขวัญไม่ต้องคิดอะไรมากแมวมันก็เหมือนคนมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยล้มตายเป็นของธรรมดาแล้วก็ตลอดเวลาที่เราเลี้ยงดูมันเราก็เลี้ยงมันอย่างดีแล้วไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นลูกก็ไม่ควรจะเสียใจอะไรมากกับการตายของมันนะเพราะว่าเราก็ดูแลมันอย่างดีที่สุดแล้ว ทั้งขจรแล้วก็เนพนภรรยาสาวของเขาค่ะต่างก็ช่วยกันปลอบลูกสาวคนเดียวของเขาแล้วก็เธ อ, อเพื่อที่จะไม่ให้เธอเนี่ยอะไรอาวรกับการตายของเจ้ามอมมากมายจนเกินไปทีนี้การตายโดยไม่มีสาเหุของเจ้ามอมเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ขจรสังเกตเห็นความผิดปกติเลยแม้แต่น้อยค่ะเจ้ามอมตายไปได้3มวันขจรเองก็ ได้รับข่าวร้ายอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาได้รับโทรเลขจากน้องชายคนเล็กซึ่งยังอยู่กับแม่ได้ส่งขาวมาบอกให้รู้ว่าแม่ของเขาเนี่ยล้มป่วยลงอย่างกระทันหันและก็มีอาการสุดหนักมากนะคะเขา อ, อยากให้คุณขจรเนี่ยนะคะกลับไปดูอาการของแม่โดยด่วน ซึ่งเมื่อเขาได้รับทราบข่าวร้ายครั้งนี้แล้วนะคะขจรแล้วก็ครอบครัวก็เลยรีบเดินทางไปหาแม่ซึ่งอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยทันทีค่ะโดยทั้งหมดเนี่คะได้โดยสารรถทัวร์เดินทางไปยังจังหวัดสุขโขทัยในเย็นวันนั้นนั่นเองครอบครัวของขจรค่ะเดินทางไปถึงจังหวัดสุขโขทัยด้วยความปลอดภยัยแต่เมื่อเขาไปถึงก็ได้รู้ว่าแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วโดยที่เขาไม่มีโอกาสแม้กระทั่งที่จะได้พบหน้าแม่ในขณะที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่เลย การจากไปอย่างรวดเร็วของแม่มันทำให้ขจรรู้สึกหดหูใจและก็ทุกโศกอย่างไม่มีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เขาได้เคยรับรู้ความรู้สึกแบบนี้มาก่อนขจรก็จาเป็นต้องอยู่สุขโขทัยอีกหลายวันค่ะเพื่อจัดการงานศพของแม่ให้เรียบร้อยและการจากไปของแม่ในครั้งนี้นะคะก็ยังไม่ได้ทําให้ขจรเนีสังเกตถึงความผิดปกติแต่อย่างใด หลังจากที่เผาศพแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขาจรก็เลยพาครอบครัวเนี่ยเดินทางกลับกรุงเทพโดยรถทัวร์เช่นเดียวกับถาไปแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันค่ะเมื่อตอนเดินทางไปก็คือเสียงโครมครามที่ดังสนั่น ร, ราวกับฟ้าจะถลม่มทลายติดตามด้วยเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวของบรรดาผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางมาในรถจากนั้นเสียงก็เปลี่ยนเป็นการร้องครวนครางด้วยความเจ็บปวดขจรเพิ่งรู้ในวินาทีนั้นนั่นเอง รถทัวร์คันที่เขานั่งเนี่ยได้ประชนอ่าได้ไปชนประสานงากับรถสิบล้อซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเมื่อได้สติค่ะสิ่งแรกที่เขาทำคือพยายามหาร่างของภรรยาและลูกสาวซึ่งกระเด็นไปคนละทิศคนละทางและในที่สุดนะคะเขาก็ได้พบว่าเนพนภรรยาของเขาเนี่ยบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย แต่ว่าสําหรับน้องขวัญลูกสาวหัวแก้วหัวแว่นของเขาได้รับการกระแทกที่หน้าอกอย่างแรงและเสียชีวิตทันทีค่ะไม่มีครั้งใดอีกแล้วที่ขจรจะรู้สึกถึงความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เท่าครั้งนี้มันเป็นความรู้สึกที่แสนจะเจ็บปวดและบอบช้ําเขาเพิ่งจะเสียแม่ผู้บังเกิดกล้าวไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองมาขณะนี้เขาต้องสูญเสียเมีย ขออภัยค่ะสูญเสียลูกน้อยไปอีกคนในเวลาซึ่งเกือบจะเรียกได้นะคะว่าเป็นเวลาเดียวกันได้เลยทีเดียวเพราะว่ามันห่างกันเพียงไม่กี่วันเท่านั้นขจรเองก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเรื่องราวเลวร้ายต่างๆจึงได้ประดังเข้ามาในชีวิตครอบครัวของเขาราวกับหาฝนเช่นนี้เพราะว่าชั่วชีวิตเนี่ยเขาไม่เคยทําผิดคิดร้ายกับใคร แต่เพราะเหตุใดกันเล่าเขาจึงต้องมาพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เหลือเกินมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมาได้เลยจริงๆจนกระทั่งเขากลับมาในบ้านอีกครั้งนั่นแหละค่ะเขาจึงได้รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดความเลวร้ายถึงได้โหมกระหน่ำซัดเข้าสู่ชีวิตของเขาและครอบครัวต้นสังสเสรซึ่งเขาปลูกไว้ในกระถางนะคะ แล้วก็วางไว้ในห้องนอนอ่อห้องรับแขกค่ะตอนนี้เนี่ยมันงอกงามแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างผิดหูผิดตาดอกเอยสีสันสดสวยของมันเนี่ยชูตรากาศอ่าชูตรงานบานสะพรั่งอย่างงดงามมีลำต้นขนาดใหญ่อวดโฉมให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดใบเรียวงามแช่มช้อยอ่ะดุดได้รับการทนุถนอมเป็นอย่างดีซึ่งทั้งหมดนี้ มันทําให้ขจรและก็เพนต่างก็แปลกใจในความอุดมสมบูรณ์ของมันซึ่งความจริงเขาคิดว่ามันควรจะตายไปแล้วด้วยซ้ําเพราะไม่มีใครคอยรดน้าให้ตลอด10กว่าวันที่ไม่มีใครอยู่บ้านขจรคะทําไมต้นไม้ต้นนี้มันถึงได้ออกดอกงดงามแบบผิดหูผิดตายอย่างนี้ละคะมันน่าแปลกมากจริงๆนะคะเพนคิดว่ามันน่าจะตายแล้วเสอีกใช่ผมก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันเขาตอบคําถามของภรรยาคะ่ะทั้งที่จิตใจและก็ความคิดในกําลังล่องลอยไปไกล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดมันทําให้เขาอดคิดไม่ได้เนะว่าจะต้นสังสเรเนี่ยจะต้องมีส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหมดขจรย้อนนึกทบทวนถึงข้อกําชับของหัวหน้าเผ่าชาวกะเหรีย่ยงย้ํานักย้ําหนาเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้ที่เป็นเจ้าของต้นไม้พันธุ์นี้จะต้องรดน้ําตอนเที่ยงคืนเป็นประจำห้ามวางกลางแดดแล้วก็ต้องสังเวยด้วยเลือดสดๆทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อนึกมาถึงตอนนี้ขจรถึงกับขนลุกค่ะ เขาเชื่อแล้วว่าเรื่องร้ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเกิดจากอาถรรพ์ของต้นสังเซเรต้นนี้แน่นอนมันจะต้องเติบโตและงดงามขึ้นได้ด้วยชีวิตของแม่และลูกสาวของเขาอย่างแน่นอนที่สุดขจรวิ่งเข้าไปในครัวแล้วหยิบเอามีดเล่มใหญ่ที่สุดออกมาจากนั้นเขาก็เงื้อมือแล้วก็ฟันลงไปที่ลำต้นของเจ้าไม้มรณะนี้อย่างสุดแรงด้วยความอาฆาต แต่แล้วทั้งเขาแล้วก็เพนค่ะต่างก็ต้องเบิกตาโพลงด้วยความตกใจอย่างสุดขีดเมื่อปรากฏว่ามีเลือดไหลออกมาจากบาแดแผลรอยถูกฟันที่บริเวณลำต้นพร้อมกับมีเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสของเจ้าต้นสังเสเร ต, ต้นไม้อัฐันต้นนี้หลังจากที่หายตกตะลึงขจรก็ฟันซ้ําลงไปแบบไม่นับเลือดสดๆกันไหลทะลักออกมาไม่หยุดนาทีนั้นเองเขาก็ได้ความคิดบางอย่างซึ่งน่าจะเป็นวิธีกําจัดต้นไม้ผีอย่างได้ผล เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็เลยยกกระถางใบนั้นเอาไปไว้ท่ามกลางแสงแดดที่แผดกล้าแล้วใช้มีดฟันลงไปอีกหลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดค่ะต้นสังเสเรที่เคยชูช่องดงามก็ขาดสบัันกระจุยกระจายแล้วก็แห้งกรอบไปต่อหน้าต่อตาของเขาพร้อมกับเสียงร้องห่วยหวนนั้นก็พลันหยุดลงอย่างสิ้นเชิงและนั่นคือบทสุดท้ายของต้นสังเสเรต้นไม้มรณนะหลังจากนั้นความสงบสุขก็กลับมาเยือนชีวิตของขจรและก็เพนอีกครั้งหนึ่งค่ะ